จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันเสาร์วันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำการ มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานยึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดเพื่อมาทำความดีเพราะเราเชื่อว่าความดีนี้เป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญเราจึงต้องมันกระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีการที่เราจะคิดดีพูดดีและทำดีได้ได้นั้นในจิตใจของเราต้องมีคุณธรรมความดีงามถ้าปราศจากคุณธรรมความดีงามแล้วมีแต่กิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะยากต่อการที่จะทำความดีได้ เพราะกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้คนเราทําความดีกันแต่จะเป็นเหตุที่จะพาให้คนนั้นไปทําความชั่วทําบาปทํากรรมทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอคือพยายามปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามไว้ในจิตในใจ แล้วก็คอยกาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราแล้ ว, ลวให้เบาบางลงไปจนหมดไปในที่สุดถ้าเรามีกิเลสตัณหาอยู่ในใจมันก็จะคอยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแล้วก็ระบายความวุ่นวายใจนี้ออกไปสู่กายวาจาต่อไปดังนั้น การบำเพ็ญจึงต้องบำเพ็ญทั้งสองส่วนด้วยกันคือบำเพ็ญความดีงามคือคุณธรรมที่ดีที่งามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บำเพญ็ญแล้วก็พยายามลดละตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไปจนหมดไปในที่สุดเพราะถ้าเรามี เพราะถ้าเรามีคุณงามความดีคุณธรรมความดีก็จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับจิตใจของเราแล้วถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความรุ่มร้อนต่างๆภายในจิตใจก็จะหายไปหมดจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ที่จะมาสร้างความลาคาญใจสร้างความว้าวุ่นขุดนัวให้กับจิตใจ ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญเจริญคุณธรรมความดีงามทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมที่ทำให้จิตใจของเราร่มเย็นเป็นสุขและทำให้ผู้ที่เราอยู่ร่วมกันนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขตามไปด้วยเพราะเมื่อใจเราเย็นแล้วใจเราก็จะส่งความเย็นออกมาสู่ผู้อื่น ความร่มเย็นนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครจึงควรควรที่ให้ความสนใจในการปลูกฝังคุณธรรมความดีงามที่ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในจิตใจของเราและในจิตใจของผู้อื่นนั่นก็คือการบาเพ็ญพรหมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุติตา สีอุเบกขาคุณธรรมทั้งสประการนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะเป็นจิตใจที่มีความสงบมีความร่มเย็นมีความสุขเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเหตุที่จะไปคอยรบล้างกิเลส ต, ตัณหา นั่นเองถ้ามีคุณถ้ามีพรหมวิหารสี่แล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถแสดงตัวตนของมันออกมาได้ดังนั้นเราจึงควรที่มันจะเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอิริยาบถใดไม่ว่าจะทำอะไรกับใครก็ตาม ขอให้มีความเมตตาการุณามมนิตาอุเบกขาอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่กับจิตกับใจเปรียบเหมือนกับเป็นอาวุธไว้สำหรับป้องกันความคิดที่ไม่ดีเช่นความกโกรธต่างๆความไม่พอใจความเกลียดชังที่จะออกมาจากจิตจากใจความเมตตานี้หมายถึง ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานเขาก็ต้องการความเมตตาด้วยกันไม่มีใครต้องการความเกลียดชังไม่ต้องไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครชอบการอาฆาตพยาบาททุกคนชอบความปรารถนาดี เวลาเจอกันก็ทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสคืออยากจะให้ผู้อื่นเขานั้นมีความสุขนั่นเองพยายามคิดว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการฉันใดผู้อื่นเขาก็ต้องการความสุขเช่นเดียวกันดังนั้นเราควรที่จะให้ความสุขแก่กันอย่าให้ความทุกข์แก่กัน เวลาเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็เอามาฝากกันเอามาให้กันอย่างนี้มาแบ่งเอามาแบ่งปันกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้ความสุขต่อกันนอกจากการให้ความสุขแล้วความเมตตายังหมายถึงการไม่เบียดเบียนกันคือเราอย่าไปทำอะไรที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ถึงแม้เราอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะไม่ไปเอาของของผู้อื่นที่มีเจ้าของแล้วเขายังไม่อนุญาตเช่นอะไรข้าวของเงินทองต่างๆเราอยากจะได้เราก็ควรที่จะหามาด้วยกำลังสติปัญญาความเพียรของเราดีกว่าที่จะไปหยิบไปฉกไปฉวย เข้าของเงินทองของผู้อื่นมาเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นนั่นเองเพราะว่าเข้าของเงินทองของใครใครก็รักใครก็หวงใครก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆไม่ต้องการที่จะสูญเสียไปโดยที่ตนเองยังไม่พร้อมที่จะสูญเสีย สิ่งนั้นๆไปแต่ถ้าเกิดต้องสูญเสียไปแบบที่ไม่รู้ไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นมีมีของดีๆเช่นโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์แล้วอยู่ๆก็ถูกคนมาขโมยไปอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจการกระทาของ คนที่เอาสิ่งเหล่านั้นไปเรียกว่าเป็นการขาดความเมตตาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำกันถ้าต้องการอะไรก็ขอให้หามาด้วยความสุขจริญจะดีกว่าเพราะจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองผู้อื่นก็ไม่เสียใจ ตนเองก็ไม่ต้องมาคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะต้องคอยตามจับมาลงโทษต่อไปความหมายของเมตายังมีอีกอย่างหนึ่งคือการให้อภัยหรือคือการไม่จองเวร น, นั่นเองใครก็ตามอาจจะมีปัญหาต่อกันซึ่งเกิดจากการพูดก็ดีการกระทำก็ดี ที่ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกไม่ชอบอกชอบใจเราก็อาจจะเกิดความโกรธเกิดความเจ็บแค้นขึ้นมาในใจเราต้องใช้ความเมตตามาระงับความโกรธความเจ็บแค้นนี้อย่าปล่อยให้มันอองอกงามขึ้นมาจนกลายเป็นการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม จนกระทั่งทำให้เราต้องไปกระทำการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายชีวิตของคนคนที่เขาสร้างความไม่พอใจให้กับเราขอให้เราจงหันเข้ามามองดูว่าความโกรธนี้เปรียบเหมือนกับกองฟืนกองไฟที่กำลังเผาผลาญใจของเราอยู่ เราควรที่จะดับกองฟืนกองไฟนี้ด้วยการให้อภัยด้วยการไม่จองเวรซึ่งเป็นน้ำแห่งธรรมะนั่นเองถ้าเรามีธรรมะคือมีความเมตตาเรารู้จักการให้อภัยรู้จักการละเวน้นจากการจองเวรจองกรรมเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะสามารถ ระ ง, งับดับความโกรธนั้นได้ซึ่งเป็นเหมือนกับฟืนกับไฟที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราทุก์ที่เกิดจากไฟแห่งความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทนี้ไม่ได้ถูกระ ง, งับลงด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแต่เกิดขึ้นจากการให้อภัยจากการระ ง, งับ ความอาฆาตพยาบาทความจองเวจองกรรมต่อก ร, รมดังในพุทธภา ษ, ษิตที่ทรงตัดไว้ว่าเวนไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนั่นเองนี่แหละคือเคล็ดลับของการที่เราจะดำรงชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความวุ่นวายใจที่เกิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต่างๆถ้าเรามีเมตตาซึ่งเปรียบเป็นเหมือนกับน้ำที่จะมาคอยดับไฟของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองจึงควรที่จะหมั่นเจริญความเมตตาอยู่อย่างสม่าเสมอ ท่านสอนให้เราเจริญในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถแผ่เมตตาไปสู่คนที่เราไม่ชอบได้ในเบื้องต้นท่านสอนให้เราแผ่เมตตาให้กับคนที่เราชอบคนที่เรารักก่อนเช่นเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่สามีภรรยาคนที่เราชอบคนที่เรารักเราก็ แผ่เมตตาให้กับเขาแผ่ความรู้สึกที่ดีให้กับเขาแล้วเมื่อเรามีความรู้สึกที่ดีนี้เราก็เอาความรู้สึกที่ดีนี้แผ่ออกไปสู่คนที่ไกลตัวเราออกไปคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเราแล้วในที่สุดก็เอาความรู้สึกที่ดีนี้มาแผ่ให้กับคนที่เราไม่ชอบอไม่ชอบใจ เพราะถ้าเราสามารถประคับประคองความรู้สึกที่ดีนี้ไว้อยู่ในใจแล้วคิดถึงคนที่เราไม่ชอบได้ต่อไปเวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่รู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังเพราะเราจะมีความรู้สึกที่ดีที่เรามีอยู่ในใจที่เราได้มอบในเบื้องต้นไว้ให้กับคนที่เรารัก แล้วเราสามารถรักษาความรู้สึกนี้ให้อยู่ในใจของเราได้แล้วเราก็นําความรู้สึกนี้ไปแผ่ให้กับบุคคลที่อยู่ไกลตัวออกไปจนถึงบุคคลที่เราไม่ชอบคือคนที่เป็นศัตรูข้าศึกของเรานี่เป็นวิธีที่เราจะสามารถแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดังในบท เมตตาที่ส่งแสดงไว้ว่าสัเพสตาอเวราหนตุสัเพสตาอับยาปัชชาหนตุสัเพสตาสุขีอัตานังปริหารันตุนี่คือคาว่าสัเพสตานี้ท่านหมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์นี้หมายถึงมนุษย์เดรัจฉาน และพวกที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเช่นพวกเทพพรหมทั้งหลายรวมไปถึงพวกเปรตอสู ร, รกายและสัตว์นรกเหล่านี้เราเรียกว่าสัตว์โลกคือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่นี้เรียกว่าเป็นสัตว์โลกทั้งสิน้นเราควรที่จะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ตั้งแต่ต่ำสุดคือนรกขึ้นมาจนถึงสูงสุดคือเทพอินพรหมทั้งหลายถ้าเราสามารถแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ได้แล้วจิตใจของเราจะอยู่ได้ด้วยความสงบด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีอะไรที่จะมาสร้างไฟแห่งความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธ ความเกลียดชังความมาคาดพยาบาทการจองเวรจองกรรมกันได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษถ้าเราขาดเมตตาแล้วใจของเราจะมีแต่ความรุ่มร้อนเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกอกถูกใจเวลาใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจขึ้นมาก็จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่คนที่เรากโกรธแค้นนั้น ก็เป็นคนที่เรารักเช่นพ่อแม่ของเราก็ดีสามีภรรยาของเราก็ดีหรือลูกเต้าของเราก็ดีเราก็ยังอดที่จะเกิดความโกรธขึ้นมาไม่ได้เวลามีอะไรมากระทบจิตใจที่ทำให้เราเกิดความไม่พึงพอใจแล้วเราเกิดความโกรธขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่มีคุณธรรม คือเมตตาธรรมนี้อยู่ในจิตใจเราไม่เคยปลูกฝังมันนั่นเองเหมือนกับไร่านาที่มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีต้นไม้เพราะเราไม่สนใจต่อการปลูกต้นไม้ต่างๆให้มันขึ้นมาปกคลุมดินเพื่อจะได้มีร่มมีความร่มเย็นเป็นสุขมีร่มเงาทําให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข mm hmm. ฉันใด เมตตาธรรมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันจึงขอให้เราพยายามเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกเวลาที่เรามีสติเราเลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็พยายามคิดถึงความเมตตาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเกิดความจําเป็นที่จะต้องใช้ความเมตตาขึ้นมา มันก็จะสามารถมาช่วยดับไฟของเราได้ถ้าเราไม่ล้ำลึกไม่เจริญอยู่ในจิตในใจของเราก็เท่ากับเหมือนกับอยู่ห่างไกลตัวเรานั่นเองพอเวลาต้องการจะใช้ก็ไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้จึงขอให้เรามองเห็นว่าเมตตาคุณ น, นี้เป็นเหมือนกับอาวุธ เราควรที่จะติดตัวไว้อยู่กับตัวเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเพราะเมื่อเวลามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ ะ, จะได้ใช้ได้ทันทีทันใดนั่นเอง <c oughs> อา น, นิสงค์ของการจเจริญเมตตานั้นก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน <c oughs> เช่นท่านบอกว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทพเทพทั้งหลายคนที่มีความเมตตานั้น ไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนที่เขาชื่นชมยินดีอยากจะคบค้าสมาคมอยากจะให้อยู่ด้วยเพราะเป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังทาให้คนที่เจริญเมตตานี้อยู่อย่างเป็นสุขคือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข เวลานอนหลับก็ไม่ฝันลายนี่ก็เป็นอนิสงค์ของการเจริญเมตตาและก็จะเป็นผู้ที่ไม่ถูกทำลายด้วยสารพิษต่างๆหรืออาวุธต่างๆเพราะไม่ได้ไปทำพิษเป็นภัยอะไรกับใครนั่นเองจึงไม่มีพิษภัยอะไรที่จะมาทำร้ายกับตนเองได้ นี่คือวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราประการที่สองคุณธรรมที่เราควรที่จะเจริญก็คือกรุณาความว่ากรุณานี้แปลว่าความสงสาร เห็นผู้อื่นที่เขาลำบากตกทุกข์ได้ยากก็มีความสงสารอยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นถ้าเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ไม่ควรที่จะดูไดเห็นใครเขาเดือดร้อนจริงๆไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็ควรที่จะเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรที่จะยื่นมายื่นมือไปช่วยเขา แต่การช่วยเหลือนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นการช่วยเหลือที่เกิดโทษตามมาเป็นอย่างไรการช่วยเหลือผู้อื่นที่ทำให้เกิดโทษตามมาก็คือช่วยเหลือแบบที่ทำให้เขาต้องคอยมาพึ่งพาอาศัยเราอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือแบบนี้ไม่ดีคือเราต้องช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาได้ช่วยตัวเขาเองได้ต่อไปเช่นคนล้มลก ล้มลงไปเราก็ช่วยพยุงเขาขึ้นมาให้เขายืนแล้วให้เขาเดินต่อไปไม่ใช่หมายความว่าอุ้มเขาไปตลอดเวลาเขาต้องการจะไปไหนก็อุ้มพาเขาไปจนเขากลายเป็นคนที่การไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องแต่เป็นการช่วยเหลือที่เกิดโทษนั่นเอง และการที่ช่วยเหลือนั่นก็ควรที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่สมควรเช่นถ้าเขาเดือดร้อนทางด้านปัจจัยสี่อย่างนี้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกันแต่ถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินทองเพราะเขาต้องการที่จะเอาเงินทองไปเสพสุรายามเมาไปเล่นการพ น, นันไปเที่ยวเตะอย่างนี้ไม่สมควรที่จะช่วยเขาเพราะการช่วยเขาแบบนี้เท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริม ให้เขาไปตกนรกมกไหม้นั่นเองเพราะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายยมุกต่างๆเช่นการเสพชัรายาเมาเล่นการพนันหรือการเที่ยวกลางคืนอย่างนี้เป็นการกระทาที่ไม่นำไปสู่ความสุขความเจริญแต่จะนำไปสู่ความทุกข์ความสะความหายณะที่จะตามมาต่อไปเพราะถ้าไปเสพชัรายาเมาแล้ว ก็ต้องหมดเงินหมดทองเสียเวลาแล้วดีไม่ดีก็อาจจะต้องตกงานตกการถ้าเคยทัาถ้ามีงานมีการทาอยู่เพราะเมื่อเสพสุราไปแล้วก็เกิดการงินเมาเวลานอนหลับก็อาจจะตื่นสายไม่สามารถไปทำงานตามเวลาที่ควรจะไปได้ถ้าเอาไปเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดเอาไปเที่ยวก็ต้องหมด เพราะการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาแต่เป็นวิธีที่จะดูดรับต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราให้หมดไปดังนั้นการที่จะช่วยเหลือคนช่วยเหลือแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งควรจะช่วยในหลักของปัจจัยสี่ถ้าเขาขาดแคลนเรื่องอาหารก็หาอาหารให้เขารับประทาน ขาดเสื้อผ้าใส่ก็หาเสื้อผ้าให้เขาใส่ขาดยารักษาโรคขาดหมอก็พาเขาไปหาหมอหาอยู่หายาขาดที่อยู่อาศัยถ้าพอมีที่ให้เขาได้พักพิงอาศัยได้ก็ให้เขาพักพิงไปจนกว่าเขาจะสามารถหาที่พักพิงของเขาได้ต่อไปการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือที่ ไม่เสียหายอะไรเพราะทำให้เขาได้ฟื้นฟูสภาพชีวิตของเขาที่ตกต่ำนั้นให้ดีขึ้นจนทำให้เขามีกําลังวังชาที่จะออกไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเขาเองได้นี่คือความหมายของความกรุณาคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เรานั้นอย่าไปคิดว่า เราจะอยู่เย็นเป็นสุขไปตลอดเวลาเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางครั้งบางคราวก็อาจจะประสบกับข้อกรรมต่างๆทำให้เราอาจจะต้องเดือดร้อนขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ถ้ามีความสงสารต่อกันละกันเวลาใครเดือดร้อนอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปก็จะทำให้ สังคมอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทำให้สังคมนั้นไม่รู้สึกว่าขาดที่พึ่งไร้ที่พึ่งทำให้ทุกคนอยู่แล้วมีความสุขใจประการที่สามท่านสอนให้เจริญมุทิตามุทิตาก็คือความยินดีในกาในความสุขในความเจริญของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาได้รับดได้ดี มีความเจริญในทางลาบยศเสริญสุขก็ไม่ควรที่จะไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปคิดว่าเขาไม่ควรที่จะได้สิ่งเหล่านั้นควรที่จะคิดว่าเขาได้ทำความดีมาแล้วความดีของเขานั้นก็ส่งผลให้เขาได้รับสิ่งที่ดีตามมาต่อไปเพราะถ้าเราขาดมุติตาแล้ว จิตใจของเราก็จะถูกความอิจฉาหรือยาเข้ามารุมเราทําให้เรามีความรุ่มร้อนจิตใจทั้งที่เราก็อยู่เฉยๆอยู่ดีๆแต่พอไปได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้ได้ดิบได้ดีขึ้นมาเราก็เกิดความรุ่มร้อนจิตใจขึ้นมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเราขาดมุติตานั่นเองการไม่การมีมุติตานี้จะทําให้เรา ไม่รู้สึกรุ่มร้อนจิตใจเวลาที่เราได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นคนนี้เขาได้ดีเขาได้ดีแต่เรากลับมีความสุขไปกับความได้ดีได้ดีของผู้อื่นด้วยเพราะเรามองว่าทุกคนนั้นก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเขาได้รับความเจริญก้าวหน้าก็สมควรที่เขาจะได้มีความสุข เมื่อเรารู้ว่าเขามีความสุขซึ่งเราก็มีความเมตตาอยู่ในใจอยู่แล้วคือเราชอบให้คนอื่นเขามีความสุขอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเมื่อเรารู้ว่าเขามีความสุขเราก็แสดงมุติตาจิตไปแสดงความยินดีไปเพราะว่าเราก็ดีใจด้วยที่เห็นเขานั้นมีความสุขถ้าเรามีมุติตาจิตอยู่ในใจแล้ว ไฟแห่งความอิจฉาริส ย, สยาก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าไปเห็นว่าความอิจฉาริษยานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญโลกนี้คนเราฆ่ากันตายก็เพราะความอิจฉาริสยานี้มีม า, มามากต่อมากแล้วดังนั้นอย่าอย่าไปมองข้ามเรื่องมุติตาเป็นอันขาดพยายามเจริญมุติตาจิตอยู่เสมอถึงแม้ว่าความสุข ของบุคคลคนนั้นอาจจะมาอยู่บนกองทุกข์ของเราก็ตามเช่นเราอาจจะต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลให้กับอีกคนหนึ่งเขาไปถ้าเราไม่มีมุนิตาจิตแล้ว <c oughs> จิตของเราก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาด้วยไฟแห่งความ โกรธแค้นด้วยไฟแห่งความอิจฉาหรือสอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีทั้งเมตตามีมุติตาอยู่ในจิตแล้วเวลาปุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาได้ดิบได้ดีบนความสูญเสียของเราเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นกดเคืองเลยเช่นเราอาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งนี้ ให้กับอีกคนหนึ่งเขาไปเจ้านายเห็นว่าเราทำงานไม่ดีพอเขาเลยเลื่อนเราลงไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเลื่อนอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนเราอย่างนี้ถ้าเราไม่มีมุติตาจิตอยู่ในใจแล้วเราก็จะต้องเกิดความโกรธแค้นเกิดความอิจฉาริษยาในคนที่เขาได้ดีบได้ดีแต่ถ้าเรามีมุตเมตตาและมุติตาแล้ว เราก็จะรู้สึกดีอกดีใจไปกับเขาด้วยนี่คือการมีมุติตาจิตอยู่ในใจควรที่จะคอยเจริญอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นใครเขาได้รับความสุขได้รับความเจริญก็ควรที่จะแสดงความยิน ด, ดีกับเขาถึงแม้เราจะรู้สึกไม่อยากจะแสดงก็ตามพยายามฝืนไปทำไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยเองถ้าเราไม่ฝืนเราไม่ทามันก็ยังจะรู้สึกขัดขัดอยู่ในใจอยู่เสมอจึงต้องหัดฝืนขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามการมีมุติตาจิตนี้เป็นสิ่งที่ดีดีกว่าการไม่มีถึงแม้การจะการการจเจริญในเบื้องต้นจะรู้สึกว่า ยากลาบากก็ตามเถิดก็ขอให้เราพยายามทำไปและประการสุดท้ายท่านสอนให้เรามีอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความการวางเฉยคือทําจิตใจให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตาม ขอให้เรายอมรับว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังคือมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปนเปนกันมามีทั้งมืดมีทั้งแจ้มมีทั้งการเจริญมีทั้งการเสือ่อมในเมื่อเราไม่สามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์ที่เราจะต้องอเผชิญก็ขอให้เราทำใจวางเฉยเสีย